บทพาชีนี 1. ที่ชื่อว่าไม่ได้เห็นคือไม่ได oh ้เห็นด้วยตาสองที่ชื่อว่าไม่ได sort of ้ยินคือไม่ได้ยินด้วยหูสที่ชื่อว่าไม่ทราบคือไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ได้ลิ้นด้วยลิ้นไม่ได้สัมผัสด้วยกายสที่ชื่อว่าไม่รู้คือไม่รู้ด้วยใจหที่ชื่อว่าได้เห็นคือได้เห็นด้วยตา 6. ที่ชื่อว่าได้ยินคือได้ยินด้วยหูเจ็ที่ชื่อว่าทราบคือได้สูดดมด้วยจมูก ได้ลิ้มด้วยลิ้นได้สัมผัสด้วยกายแบดที่ชื่อว่ารู้คือรู้ด้วยใจ